สีประการนะเสื่อมในทรัพย์และคุณความดีและก็ปฏิสนธิในตระกูลต่ำมักได้รับคำติเตียนแล้วก็ขัดสนในลาบสกาละเออดรในกลุ่มพวกนี้เพราะว่าอาภิชาวเวลาเกิดขึ้นก็เพ่งเล็งอยากได้พันธะ หรือทรัพย์สมบัติของบุคคลอื่นอยู่แล้วใช่ัหมฉะนั้นโทษที่ได้รับจากอภิชาก็คือจะต้องเสื่อมจากทรัพย์และคุณความดีปฏิสนธิถ้าไปเกิดก็เกิดในตระกูลต่ำก็คาที่ได้รับก็คือได้รับการตีเตียนทรัพย์สมบัติก็จะขัดสนส่วนผลของพยาบาท ดูแค่พยาบาทที่ครบองค์กรรมบทเนี่ยนะถ้าเขาสามารถส่งผลในประวัติการได้ก็คือรูปร่างกายนั้นก็คือตามคนรูปไม่งามแล้วผิวพรรณไม่ดีผิวพรรณหยาบโรคภยยัยไข้เจ็บก็เบียดเบียนอายุก็ะสั้นการตายก็คือจะตายด้วยการถูกประหารเนี่ยนะโทษตรงนี้ก็เนี่ยคือกลุ่มของพยาบาท ผลของมิจฉาทิฏฐิกรรมแหะถ้ามิจฉาทิฏฐิกรรมก็มีอยู่สี่ประการห่างไกลต่อรัศมีของพระธรรมโทษน่ากลัวไหมห่างไกลต่อสวากขมาีธรรมเป็นต้นนะห่างไกลต่อรัศมีแห่งพระธรรมรัศมีของมรรคสีผลสีและนิพพานหนึ่งไม่ต้องไปพูดถึงแล้ววัางันเลยจะห่างไกลจากพระธรรมเลยและก็มีปัญญาตามแต่มีทิฏฐิมากเวลาจะไปปฏิสันทีก็ปฏิสันทีในพวกคนป่าที่ไม่รู้เรื่อง แล้วก็เป็นผู้ที่มีฐานะต่ำไม่ทัดเทียมกับบุคคลอืน่นน่ากลัวข้อไหนทางไกลพระสัจธรรมมีปัญญาสามปฏิสันที่พวกคนป่าที่ไม่รู้เรื่องตลอดถึงเป็นผู้มีฐานะต่ำไม่ทัดเทียมบุคคลอื่นเนี่ยถ้าจะพูดไปแล้วเนี่ยน่ากลัวข้อไหนทโทษิของมิจฉาทิฏฐิน่ากลัวหมดเลยนะปัญญาสามจริงไมถ้าไปเป็นคนป่าเนี่ยถ้าไปนี่คืออย่างนี้ถ้าไปเป็นคนป่าแล้วเป็นกลุ่มของมิจฉาทิฏฐินะ โดยมากที่ถือว่ามีปัญญาดีหน่อยเป็นหัวนำผู้นํเาเถ่านะโดย่าเป็นผู้นําเผ่าเลยเนะไปจัดก็ตัวรอดเนยแต่ที่แน่นอนนะถ้าหากว่าเป็นกลุ่มพวกคนป่าแล้วนี่โดยมากก็คือโทษของมิจฉาทิฏฐิเนี่ยมันเสียหายตรงที่มิจฉาทิฏฐิเกิดแล้วเพราะในที่สุดจริงๆคือการว่าห่างไกลาจากพระธรรมเนี่ยฉนั้นโทษของการห่างไกลจากพระธรรมเนี่ยโอ้หน่ากลัวมากเอาต่อไปอันนี้มีจบไปแล้วนะแต่นี้เนี่ย ต่อไปขึ้นในการแก้กุศลแะบทกุศลกรรมบทเกี่ยวกันในเรื่องของกุศลกรรมบทเนี่ยนะพึงทราบวินิจฉัยในคําว่าปานาติปาตาเว ร, รมณีกุศลเจตนาในการงดเว้นจากปานาติบาต์เออถ้าพูดถึงในเรื่องของกุศลเนี่ยกามาวจรากุศล น, นั่นเองก็ได้แก่เจตนาที่อยู่ในมหากุศลนีให้ทําความเข้าใจตรงนี้ก่อนคําว่ากุศลตัวเนี้ยเทาว่าโดยกรรม มมาวานก็มี3อย่างเท่ากันกับอกุศลกรรมมทวานก็คือมีทั้งกายกรรมมีทั้งวจีกรรมมีทั้งมโนกรรมแต่ในที่นี้กล่าวถึงในเรื่องของกรรมบทหรือสุจริตนั่นเองมีอยู่10ประการนะใน10ประการเนี่ยที่กาลังจะศึกษาและทําความเข้าใจเนี่ยอกุศลกรรมบท10ประการเนี่ยกายกรรมก็มีสที่ทันวินิจฉัยคําว่าปานาติปาตาปฏิวิรติกัน ปานาติปาตาเวรมณีก็ได้เว้นจากการฆ่าสัตว์เนี่ยนะวิรัตวิรัตตัวเนี้ยเวระเนี่เวระนี่คือการการงดเว้นเว้นงดเว้นจากเวรภัยทั้งหลายเนี่ยเวรมณีเนี่ยเจตนางดเว้นจากปานาติบาต ท, ที่เป็นกุศลเนนะี่ยฉะนั้นเจตนาในการที่จะงดเว้นจากบาปจากอากุศลเนี่ยเป็นต้นเนี่ย ดังต่อไปนี้ว่าอากุศลกรรมบททั้งหลายมีปานาธิบาเป็นต้นมีอธิบายดังที่ข้าพเจ้าได้กล่าวมาแล้วนั่นแหละแต่เจตนาชื่อว่าเว ร, รมนีเนี่ยในความหมายตรงนี้ก็แปลว่าย่ำยีเวนย่ำยีเวนภัยเพราะว่ากลุ่มของปานาธิบาตนี่คือย่ำยีในเรื่องของเจตนาในการที่จะฆ่า ก็ย่ำยีว่าเราไม่ฆ่าเราไม่พยาบาทเราไม่ปองร้ายเป็นต้นจริงๆริงบางท่ากล่าวถึงเวรภัย5้าอย่างก็มีอะไรบ้างก็คือไม่ฆ่าไม่รักไม่ประพฤติผิดในกามไม่พูดเท็จไม่ดื่มตุาลาเบียร์นี่คือเวรทั้ง5าแต่ถ้าอย่างนี้ก็คือย่ำยีเวรถ้าเวรมณีเนี่ยถามว่าเวรมณีเท่าไหร่เวรมณีมีเท่าไหร่ เทเวระมณีคือย่ำย่ำยีเวนก็คือว่าละเวนได้ละเวนอะไรได้เวระมณีคือเว้นจากการฆ่าเว้นจากการลักทรัพย์เว้นจากการประพฤติผิดในการมเนี่ย เว้นจากการพูดเท็จเว้นจากการพูดส่อเสียดเว้นจากการพูดคำหยาบแล้วก็เว้นจากการวาจาที่ไม่เป็นประโยชน์หรือว่าสังวรสังวรไม่ให้อภิชาเกิดสังวรไม่ให้พยาบาทเกิดมีความเห็นถูกต้องตามความเป็นจริงเนี่ยเป็นชื่อของยํำยีทั้งนั้นอะยํำยีเวรทั้งหลายคือไม่ต้องการที่จะได้รับเวรหรือผลผลของการกระทำแล้วก็ไม่ต้องการสร้างเวรเพื่อจะไปรับผลของการกระทำนั้น อย่างพวกเราทั้งหลายต้องตั้งเจตนาให้มั่นคงนะว่าข้าพเจ้าจะย่ำยีเวนจริงๆนะย่ำยีเวนอธิบายว่าละเวนได้อีกประการหนึ่งบุคคลเนะี่ยเวนจากเวนได้เพราะเจตนานี้เป็นเหตุเพราะเหตุนั้นเจตนานั้นจึงเชื่อเว ร, รมณีเปลี่ยนวิอักษรเป็นเวอักษรนี้เป็นการขยายความในเว ร, รมณีโดยพยัญชนะก่อนนะส่วนการขยายโดยอัดด้วยความหมายพึงทราบวิรัตเนะี่ยที่สำประยุทธ์กับกุศลจิจ ชือเวรมณีตัววิรัตคือความงดเว้นนี่เขาสัมปยุตกับอะไรสัมปยุตกับกุศลอยไหมไอการสัมปยุตกับกุศลนั้นเป็นกุศลญาณะสัมปยุตนั่นแหละวิรัตนั้นของผู้เว้นจากปานติบาตที่ตรัสไว้ว่าการงดเว้นจากปานาติบาตในสมัยนั้นดังนี้ชื่อว่าเป็นวิรัตที่สัมปยุตด้วยกุศลและจิตเนี่ยพอพูดถึงในเรื่องของวิรัตที่ประกอบหรือสัมปยุตด้วยสัมปยุตแจิตที่เป็นกุศลแล้วเนี่ย ไปทําความเข้าใจในเรื่องของการวิรัติเวรมณีคือการงดเว้นเนี่ยมีอยู่3อย่างวิรัตที่แยกประเภทออกเป็น3อย่างก็คือว่าสัมปตตะวิรัติหนึ่งสมาทานวิรัติหนึ่งและก็สมุทเฉทวิรัติหนึ่งในจํานวนวิรัต3อย่างนั้นวิรัตที่เกิดขึ้นแก่ผู้ที่ไม่ได้สมาทานสิกขาบททั้งหลายมาก่อนเนี่คือในเรื่องของวิรัตนะผู้ที่ไม่ได้สมาทานสิกขาบททั้งหลาย ไม่ได้สมาทานศึกขาบทดังที่ได้ ก, กล่าวมาทั้งหลายเนี่ยมีปานาติบาตเป็นต้น แต่ได้พิจารณาถึงชาติวัยและการคงแก่เรียนเป็นต้นของตนเองคือไปพิจารณาถึงว่าชาติติภูมิของตนเองวัยของตนเองที่อายุก็มากแล้วก็การเรียนของตนเองก็ศึกษาเราเรียนมามากเป็นต้นหรือพิจารณาหลายๆแง่หลายมุมเห็นว่าไม่เหมาะแก่เราว่ า, าการกระ ท, ทําเช่นนี้การฆ่ า, าการลักการขโมยเหล่าเนี้ยไม่เหมาะแก่เราเลยแล้วก็ไม่ล่วงเกินสิ่งที่ปรชิญเข้าคือสิ่งที่ปรชิญอยู่เฉพาะหน้าเพิ่งทราบว่า เป็นสัมปตาวิรัตเหมือนวิรัตของจักกนะอุบาสกในสีหนประเทศมีมิทานประกอบสัมปตาวราัตได้ยินมาว่านในเวลาเขายังหนุ่มอยู่นั่นแหละมารดาของเขาเกิดโรคแล้วก็หมอบอกว่าควรจะได้เนื้อกระต่ายสดๆมาประกอบยานะลำดับนั้นในพี่ชายของจักกนะก็สั่งว่าไปเถิดเจ้าจงไปนาแล้วทรงจักกนะไป เขาก็ได้ไปนะในที่นานั้นและในเวลานั้นก็มีกระต่ายตัวหนึ่งมาเลีมยมหญ้าอ่อนอยู่มันเห็นเขาแล้วก็วิ่งหนีไปแต่ไปคล้องกระเท้าวันคือเท้า น, นไปเกี่ยวกับเท้าวันจึงส่งเสียงร้องคนในขณะที่ส่งเสียงร้องขึ้นมานั้นจักกะนาตามเสียงนั้นไปก็จับกระต่ายไว้ได้ก็ตั้งใจว่าจะเอามาทำยาให้แม่แต่ก็ฉุกเิดขึ้นมาว่าไม่ สมควรสำหรับเขาที่จะทำลายชีวิตสัตว์อื่นแลกกับชีวิตของแม่เร า, เามาพิจารณาดูแล้วโอ้ไม่สมควรไม่เหมาะสมกันเลยนะว่าั้นะในกรณีที่เราจะเอาชีวิตของบุคคลอื่นเพื่อแลกกับชีวิตของแม่เนี่ยจึงพูดว่าไปเถอดเจ้าไปกินหญ้ากินน้ำร่วมกับกระต่ายทั้งหลายในป่าเถิดแล้วก็ปล่อยไปและเมื่อกลับมาถึงบ้านถูกเขาถูกพี่ชายถามว่าเมื่อเป็นอย่างไรน้องได้กระต่ายไหม ก็จึงได้บอกความเป็นไปให้ทราบบัดนี้พี่ชายได้บริาพาชเขาเนี่เขาไปหาแม่แล้วเนี่ยคือพี่ชายก็ด่าใช่ไหเพราะไปหาพอไปหาพี่ชายพิชายก็ด่าเอาว่าทำไมไม่ได้อย่างที่สั่งเขาไว้ต่อมาเขาไปหาแม่ก็ได้ยืนตั้งสัจจญาธิฐานว่าข้าพเจ้าตั้งแต่เกิดมาจําความได้ไม่เคยจงใจฆ่าสัตว์ที่มีชีวิตเลยทันใดนั้นแม่ของเขาก็หายจะกครคพี่จิงตั้งสัจจญาติฐานนั้นแหละ ที่จุดไว้อย่างนี้ท่านบอกขั้นขยายนั่นเลยบอกว่าขอให้แม่หายจากโรคภัยแข่เจ็บทันใดนั้นแม่ก็หายแต่วิรัตที่เกิดขึ้นแก่ผู้สมาทานสิกขาบทแล้วจึงจะสละชีพของตนในเวลาสมาทานสิกขาบทและเวลาถัดไปนั้นก็ไม่ล่วงเกินวัตถุพึงทราบว่าเป็นสมาทานวิรัตเหมือนวิรัตของอุบาสกของชาวเขาอุตรประทมานะอันนี้อีกเรื่องหนึ่งแต่เรื่องตรงนี้ที่ประกอบเป็นเรื่องที่ประกอบสัมปตาวิรัติว่าสัมปตาวิรัตนั้นไม่ได้มีเจตนาในการที่จะสมาทาน ที่นี่ในกลุ่มของที่ประกอบการสมาทานแหะก็ยกตัวอย่างอีกเรื่องดังที่เด็กจะกล่าวต่อไปเนี่ยอุบาสกรับศึกขาบทในสำนักของท่านปิงครับพุทธลักขิตะเทระชาวกรมพริยะวิหารแล้วแล้วก็ไปไถนาคือในสมัยก่อนคณะจะไปไถนาเนี่เขาจะ สมาทานเรพราะจริงๆไม่ได้มีเจตนาจงใจใช่ไมถ้าจะเผือไปถูกสัตว์ตายบ้างอะไรแ ต, แต่เขาสมาทานต่อมาโค้งเขาหายไปเมื่อเขาตามหามันไปก็ได้ขึ้นไปสู่ภูเขาอุตราวัฒมานะ งูใหญ่ก็รัดเขาอยู่บนภูเขานั้นคือถูกงูรัดเนะี่ยเขาคิดว่าจะเอามีดที่คมที่ตัดหัวมันเนะี่ยคือจเจ้ามีดที่พกมาติดมาเนะียตัดที่หัวงูแต่ยังคิดอีกว่าการที่สมาทานศิกขาบทในสำนักของครูผู้น่านับถือแล้วพิจารณาเลยนะว่าโอ้ยตนเองเนี่ยสมาทานสิกขาบทในสำนักของครูที่น่านับถือที่ น, าน่นานบูชาแล้วเนี่ยการล่วงละเมิดนั้นไม่เป็นการดีกับเราเลย มอพิจารณาอยู่อย่างนี้แล้วก็ทำลายเสียซึ่งซึ่งการไม่สมควร ท่านคิดอย่างนี้ถึง3ครั้งแล้วก็ตัดสินใจว่าเราจะสละชีวิตเนี่ย น, นี่พิจรารณาอย่างนี้นะบอกนี่เรานี่จะสละชีวิตแล้วไม่ยอมสละสิกขาบทคือไม่ยอมสละศีลไม่ยอมเสียศีลพิจารณาเบียเสร็จแล้วก็เลยได้คว้างมีดโต้เล่มที่แบกมาอยู่บนบ่านั้ น, เ, นเข้าป่าไปตัดสินใจทําอย่างนั้นเลยทันใดนั่นเองว่างั้นเถอะงูใหญ่ก็คลายตัวออกแล้วก็เลือ้อยไปท้าในลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นสมาทานวิรัติเขาเรียกว่าสมาทานวิรัตคือวิรั ที่เกิดขึ้นจากการสมาทานถ้อาอย่างนี้ถือว่ามั่นคงนะเอาศีลแต่สละชีวิตนี้นี่ในกลุ่มของในกลุ่มของสัมป ต, ตาวิรัตกับสมาทานวิรัตสัมป ต, ตาวิรัตกับสมาทานวิรัตอันไหนมีอา น, นิสงส์มากกว่ากันเพราะสมาทานเกิดจากความเข้าใจและตั้งใจนะไม่ได้เกิดขึ้นจากการปาราบชาติปาราบวันไอปาราบการคงแก่เรียนปาราบอายุเออถ้าพูดถึงตรงนี้นะในกลุ่มของคนที่เขารักษาศีลนนะี เวลาเขาเห็นชีวิตของบุคคลอื่นเนี่ยเขาสามารถที่บวกความคิดของเขาได้สมบูรณ์แบบอย่างยอมงานพิษเนี่ยเคยทำงานเนี่ยนะเคยทางานเนี่ยนะว่าสมมุติไปทางานไปค้าขายนยในกลุ่มของคนที่เขาค้าขายเขาเห็นวัตถปปุปุ๊บปุ๊บสิ่งนี้เขาบวกกำไรได้ัหมบวกกำไรเนยะมองเห็นความสำเร็จของตนเองั้ย ว่าตนเองจะได้อะไรมองเห็นกําไรมองเห็นตนเองจะสําเร็จจะได้กําไรเท่าไหร่หากลบเท่าไหร่เสียเท่าไหร่ได้เท่าไหร่นี่เราเรามองถึงศีลของตนเองบ้างไหมเวลาเห็นชีวิตของบุคคลอื่นจะมาเห็นชีวิตของบุคคลอื่นเนี่ยเราบวกได้ไหมถ้าเรางดเวน้นปุ๊บเนี่ยเรารู้เลยผลของการงดเว้นในครั้งนั้นเราจะได้อะไรลักษณะนี้เห็นวิธีคิดที่เขาสมบูรณ์แบบมากงั้นการเห็นทรัพย์สมบัติ ก็เหมือนกันเห็นซา์สมบัติเขาเห็นสิ่งของบุคคลอื่นเนี่ยเขาบวกทันทีเลยว่าถ้าเขาเจตานางดเว้นตรงนี้เขาจะได้กําได้ผลยังไงแต่ถ้าเขาทาลงไปแล้วเขาจะเสียอะไรเนี่ยนะเห็นในวิธีคิดเหมือนนะักการค้าทั้งหลายเนะี่ยเหมือนนะักคํานวณทั้งหลายเนะนี่ยก็เห็นเห็นชีวิตสัตว์สังขารเห็นเห็นบุคคลอื่นใช่ไหมเห็นบุคคลอื่นหญิงอื่นชายอื่นแล้วที่เขาเกิดการจะผิดข้อกาเมสุมิฉาจานก็ก็บวกทันทีเลยโอ้อยางนี้เสียหายแต่ถ้าเขาไม่ทำเนี่ยเขาได้อะไรอย่างเงี้ยตรงนี้มันต้องตรึกใช่ไหมต้องพิร ไม่ใช่เขาเพียงว่าเจตนาแค่จะงดเว้นงดเว้นนะแต่เขาคิดถึงผลที่จะได้ก็คิดถึงผลที่จะได้ว่าเมื่อทำสิ่งนี้ไปแล้วจะได้อะไรและถ้าหากไม่ทำจะได้อะไร ท่า น, นเขาตรึกบ่อยๆศีลเขาเกิดบ่อยๆไหมพิจารณาบ่อยๆศีลเกิดบ่อยๆนะในกลุ่มของที่ตรึกในเรื่องของสัมปตาวิรัตเขาก็เกิดสัมปะตะวิรัตในกลุ่มของตรึกมาดีแล้วสมาทานมาดีแล้วในสำนักของครูที่น่านับถือทั้งหลายเขาก็สมาทานของเขาอย่างต่อนเนื่องเพราะเขาได้ไม่ใช่เสียนี่เขาเรียกในกลุ่มของบุคคลมองเห็นสิ่งของแล้วก็สติปัญญาเกิดแต่ในยุคปัจจุบันนี่นะบางคนเห็นเห็นถ้วยใบหนึ่งปุ๊บไปผลิตสินค้างตัวเองแล้วคือต้องการกําไรใน ปุบันแต่ในกลุ่มพวกนี้มาเห็นบุ้มเนี่ยไอ้ทายัางไงเราจะไม่ล่วงละเมิดจะไม่ทุบของเขาแตกจะไม่ลักขโมยของเขาใช่ไม้มจะไม่ทําให้เขาเสียใจเพราะสิ่งนี้เป็นต้นเนี่ยในกลุ่มเหล่านี้เขาก็ตรึกก็คือสังวรระวังคือต้องการหน้าการค้าเหมือนกันค้าบุญกับค้าบา่ เราจะเป็นประเภทไหนนะคือคนที่มีปัญญาทั้งหลายเขาจะบวกวิธีคิดเห็นภบแล้วเขาคิดได้สมบูรณ์มากว่างั้นเลยเห็นบุคคลอื่นทำความดีเนี่ยเขาบวกบุญศน์ตามไปเลยนะเขาไม่เขาไม่เขาไม่ลังเลเลยอ่ะไม่ลังเลใจไม่เผื่อใจไว้ไม่กักความรู้สึกเขาไว้เหมือนเขาจะเชื่อพระเจ้าเนี่ยเขาไม่ออ้ยค่อยๆเชื่อค่อยๆเชื่อก็ไม่ทาหรอก น้อมเชื่อเลยเพราะเขามั่นใจอะไรลราเป็นความมั่นใจของเขาคือฟังมาเป็นอย่างดีศึกษามาเป็นอย่างดีรอบรู้เป็นอย่างดีนี่จะไปลังเล่ใจอะไรใช่ไหมไม่น่าลังเล่ใจนะสมาทานบ่อยๆคําว่าสมาทานนี่คืออย่างไรเห็นวัตถุสิ่งของแล้วไม่ล่วงละเมิดทันทีเพราะนึกถึงที่สมาทานไว้เห็นชีวิตสัตว์และไม่ล่วงละเมิดเห็นข้าวของสมบัติของบุคคลอื่นก็ไม่ลักขโมยเห็นบุคคลอื่นก็ไม่กระทําการเมสสมิฉาจารเห็นสัตว์สังขารบุคคล ก็ไม่กล่าวเท็จไม่กล่าวส่อเสียดคำหยาบและเพ้อเจอ้อเห็นพันธะสิ่งของบุคคลอื่นก็ไม่โลภอยากได้ไม่พยาบาทและไม่เห็นผิดต่อวัตถุและสังขารเหล่านั้ น, เ, นเมื่อสามารถตรึกทำได้อย่างนี้เขาเรียกว่าบวกไหม นี่เขาเรียกว่าเห็นกําไรแล้วเห็นผลเห็นกําไรที่จะตามมาทันทีเนี่ย <g ül> ก็ต้องพยายามตรึกพิจารณาอย่างนั้นบ่อยๆต้องสามารถเห็นให้ได้เห็นผลกําไรในสิ่งนั้นให้ได้ไม่ใช่ว่าไม่เห็นผลกําไรของสิ่งนั้นนะและในขณะเดียวกันก็คือเห็นโทษของสิ่งนั้นให้ได้ใช่ไหมในบรมดาที่จะค้าขายหรือจะประกอบอะไรต่างๆเหล่านี้ถ้าเรารู้ว่าเราทําอย่างนี้เราขาดทุนเราทำไหมไม่ทําทันทีใช่ไหมชั้นใดก็คือว่าในกลุ่มของบุคคลที่มีสัมมาทิตย ทีใ่ในในสูตรนี้มาดีในการตรึกในพยาธิบา อ, อ, อธินาทานการเมสุมิชฌาจารย์เป็นต้นเนี่ยก็สามารถที่จะบวกผลดีผลเสียให้กับตนเองได้ว่าอะไรมันเกิดขึ้นมากน้อยอย่างไรนะอย่างนี้ก็คือในในในหลักการที่คิดที่เป็นสัมมาทิฏฐิการตรึกที่เป็นสัมมาทิฏฐิเนี่ย้งเริ่มต้นไปอย่างนี้จริงๆถ้าหากไม่มีฐานในการที่ตรึกพิจารณาอย่างนี้เนี่ยเสียหายเลยถ้งนั้นเสียหายทันดีใช่ไหมถึงบอกว่า ในกลุ่มของคนที่เขาศึกษามาเป็นอย่างดีเนี่ยมองอะไรเน่ยเขาเจริญบุญได้จริงเลยเขาเรียกในด้านของอารามะโตเขาดีมากอะอารามะนาปจัยเขาเนี่ยเห็นอารามะนาปจัยอารมณ์มณใดๆที่เข้ามาสู่ทวารตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจแล้วเนี่ยแสดงว่าเขาสามารถที่จะเจริญกุศลกรรมบทได้อย่างนี้แสดงว่ากลุ่มสัมมาทิฏฐิเขาดีมากก็พยายามทํากันให้ถูกตรงนี้คิดว่ายากไหมไม่ยากนะแต่ตรงนี้ก็ไม่สงสัยแล้วนะทีนี้ในการแก้บท สมุตเฉทวิรัตแก้สมุตเฉทวิรัตส่วนวิรัตที่สัมปยด้วยอริยมรรคพึงทราบว่าเป็นสมุตเฉทวิรัตซึ่งจำเดิมแต่การเกิดแล้วภาเรียบุคคลทั้งหลายไม่เคยแม้แต่จะเกิดความคิดว่าเราจักฆ่าชีวิตสัตว์ ที่มีชีวิตคือไม่เคยเกิดเลยบอกว่าเราจักฆ่าสัตว์ที่มีชีวิตเราจักลักขโมยเป็นต้นเนี่คือเราจะทําปาณาติบาตเราจะทําอธินาทานการมีสุมิชฌาฌานมุสาวาตปิสุนาวาจาพุทสวาจาสัมผัสภราปะเนี่ยอภิชาพยาบาทและมิชฌาทิฏฐิไม่มีเลยใช่ไหมในกลุ่มเนี่ยในกลุ่มของทหารว่าวิรัตไม่เกี่ยวของศีลอะไรเงี้ยบอกไม่มีเลยแต่วิรัตนี้ท่านเรียกว่ากุศลเพราะเป็นไป ด้วยความฉลาดอะเดี๋ยวเข้าในความหมายต่อจากครั้งที่แล้วนะในคำว่ากุศลกรรมบทในกุศลกรรมบทนั้นเนี่ยส่วนวิรัตที่สัมปยุต ด, ด้วยอริยมรรคพึงทราบว่าเป็นสมุเทเฉทวิรัตซึ่งจำเดิมแต่การเกิดแล้วเนี่ยาอรียบบุคคลทั้งหลายไม่เคยแม้แต่จะเกิดความคิดว่าเราจะฆ่าชีวิตสัตว์ดังนี้ฉะนั้นในขณะที่อริยมรรค มีโสดาปิมัคสกท า, าคามิมัคอนาคามิมัคและอาหัตมัคเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยความรู้สึกหรือความเจตนาความจงใจในการที่จะฆ่าไม่มีเลยเพราะว่าเขาสามารถที่ขจัดเหตุของการฆ่าได้เหตุปัจจัยที่จะทําปานิบาตอธินาทานกาเมสุมิชฉาจาร มูสาวาตปิสุนาวาจาพรุรสวาจาสัมภะราปะอภิชาพยาบาทและก็มิจฉาทิฏฐิเนี่ยเขาสามารถที่จะขจัดได้ใช่ไหมการขาจัดได้อย่างนั้นนั่นแหละเป็นการขาจัดได้อย่างเด็ดเพราะในขณะที่โซดาปริมาณเกิดขึ้นมาได้แล้วเนี่ยแปลว่าภรรยาบุคคลทั้งหลายนั้นท่านเว้นได้เด็ดขาดหรือยังฉะนั้นการเว้นได้อย่างเด็ดขาดจุดในการที่เว้นได้อย่างเด็ดขาดนั้นเรียกว่าเป็น สมุดเฉทาวิราชหรือสมุดเฉทาประหารถามว่าเขาสามารถประหารอะไรได้เนี่ยท่านในขณะที่โสดาปิมารเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยเขาประหารสักยกทิฏฐิวิจิกิจฉาสีรพตาปรามาใช่ไหมว่าตามในยะของพระสูตรหรือสามารถประหารทิฏฐิแล้วก็วิจิกิจชาได้เหตุแห่งปานาติบาตเป็นต้นเนี่ยเหตุแห่งการจะล่วงละเมิดกุศลกรรมบทสิเนี่ยพระยบุคคลท่านท่านก็ละตรงนั้นได้นเนี่ย ฉะนั้นพระอริยบุคคลทั้งหลายไม่เคยแม้ที่จะคิดเลยว่าเราจะฆ่าชีวิตสัตว์ถ้าศีห้าของพระอริยบุคคลเนี่บริบูรณ์ัหยศีล5ของท่านเหล่านี้บริบูรณ์แต่วิรัตนั้นท่านเรียกว่ากุศลใช่ไหมวิรัตนั้นยังเป็นกุศลนะโสดาปฏิมาคนี่ยังเป็นกุศลอยู่ั้ย เป็นกุศลใช่ไหมเขาเรียกว่าโลโลกุตละกุศลที่เรียกว่ากุศลนั้นเพราะว่าเป็นไปด้วยความฉลาดเพราะว่าธรรมชาติของกุศลเนี่ยนะท่านกล่าวว่าเป็นไปด้วยความฉลาดธรรมชาติใดย่อมทําให้วันไหวคือทําลายซึ่งบาปประธรรมก็ได้ที่มาจากคาว่ากุสะใช่ไหมเป็นบาปประธรรมใช่ไหมเป็นความชั่วลายทั้งหลายเนี่ยบัณฑิตทั้งหลายพึงเปลียดเพราะว่ากุศะคํานั้นเน่ยเป็นความหมักหมมของอะไร ของความชั่วหลายฉนันก็มาจากศัพท์ตรงนั้นที่ว่าทางธรรมชาติซึ่งกุศลคําว่ากุศลหมายถึงกุศลและจิตนีปัญญาที่เกิดขึ้นในกุศลเหล่านั้ น, นโดยเฉพาะกุศลที่สูงสุดก็คือเป็นกุศลที่ในมรรคกุศลนั่นแหละปราศจากความเศร้าหมองเร่าร้อนไม่มีโทษแล้วก็ให้ผลเป็นความสุขันจึงมีอัดและความหมายของคําว่าอโรคยัตถาที่แปลว่าไม่มีโรคโรคในที่นั้นเป็นชื่อของอะไร ราคะความกำหนัดโทสะความโกรธโมหะความหลงนี่เป็นโรคไหมเนี่ยคือโรคของทําไมจึงเรียกว่าราคะโทสะโมหานี้เป็นโรคเพราะมันเสียดแทงอะไรเสียดแทงปัทุสร้ายจิตใจแล้วก็ปัททุสร้ายร่างกายได้ไหมด้วยหรือไม่ด้วยถ้าทําบาปแล้วเนี่ยคนที่จะได้รับโทษคือใครนั่นแหละคือว่ามันเสียดแทงในขณะจิตใจในขณะท่านผู้ทําทําแล้วและต่อจากนั้นไปก็คือทําให้ท่านผู้นั้นต้องได้รับ ความทุกข์ความทรมานจากผลของอกุศลกรรมที่ตนเองทำไปถ้าอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นไปด้ว ย, วยโทษและให้ผลเป็ น, ปนความทุกข์แต่ถ้ากุศลเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยไม่มีโทษและให้ผลเป็นความและก็ไม่มีโรคด้วย ดีงามและเป็นประโยชน์เื่อกูลแกสัตว์ทั้งหลายได้ด้วยและก็เป็นความฉลาดในที่นี้ท่านเน้นความว่าฉลาดฉลาดนั่นเรียบร้อยคือเมื่อผู้ที่มีจิตใจที่เป็นกุศลเกิดขึ้นแล้วเนี่ยความฉลาดก็เกิดขึ้นจากกริยาวาจา ก, ก็เรียบร้อยเป็นต้นนึ่งอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าไม่มีโทษในทางที่จะให้ใครติเตียนได้ประการต่อมาก็คือว่าให้ผลเป็นความสุขให้ผลเป็นสิ่งที่น่าปรารถนาฉะนั้นลักษณะของกุศลกรรมบทเนี่ย คำว่าบทในที่นั้ น, นแปลว่าทางนะปัต tha มาจะคำว่าปัตฐะแปลว่าทางกุศลก็คือว่าเป็นเป็นกุศลกรรมนั่นนะ การกระทาที่เป็นปากทางให้เข้าถึงสุขติได้โดยเฉพาะในที่นี้เป็นเป็นปากทางเหมือนยังไงดีเเหมือนประตูก็นะประตูในการที่จะเราเปิดประตูลงสู่ท่านา้เปิดประตูเข้าสู่เมืองเนี่ยเป็นต้นเนี่ยนะปัจจัยในการที่บุคคล น, นั้นจะทำสัมมาทิฏฐิให้เกิดขึ้นบุคค ล, ละคนนั้นก็จะต้องมีความเข้าใจในด้านของกุศลกรรมบทเป็นอย่างดี ถ้าหากไม่สามารถที่จะเข้าใจกุศลกรรมาบทเป็นอย่างดีแล้วเนี่ยจะไม่สามารถที่จะเปิดประตูเข้าสู่เดินเข้าสู่าทางเป็นอมตะได้เลยโดยเฉพาะพระนิพพานใชถ้าไม่มีกุศลเป็นปากทางเป็นประตูเป็นทางผ่านให้แล้วเนี่ยมีไหมที่จะพ้นจากวัฏจักรกองทุกข์ได้ไม่มีหรอกเนี่ยจึงต้องบอกเป็นประตูเป็นช่องทางเป็นทางผ่า น, นที่จะทาให้กุศลเหล่านั้นเกิดขึ้นมาได้เขาจึงเรียกว่ากุศลกรรมบท มีเป็นอย่างนั้นนะจะต้องศึกษาและทําความเข้าใจในกุศลกรรมบทเป็นอย่างดีถ้าไม่เข้าใจกุศลกรรมบทเป็นอย่างดีเราเสียหายแล้วแต่นี้ยังไมไม่รู้จากกุศลไม่รู้จากกุศลท่านถึงบอกว่าส่วนกุศลนั้นก็ไม่มีอะไรเป็นพิเศษตรงนั้นส่ ว, ว่าเพราะไม่เหมาะสมกับปัญหานี้คุณกุศลเป็นอย่างไรอันนั้นเป็นคําถามคือถามมาว่ากุศลนั้นเป็นอย่างไรถ้าอุ้ยนี้ฉช่โดยอาการ5้าอย่างเนี่ย กุศลกรรมบทแม้เหล่านี้ก็ควรทราบวินิใชัย5าอย่างก็คือว่าโดยธรรมโดยธรรมคือธรรมโตเนี่ยน ะ, โด ย, รร โ, นยะโดยธรรมโตนั้นน่ะแล้วก็โดยธรรมโตหนึ่งโดยโกฏธาสะคือโกธัสโตหนึ่งโดยอารมคือธรรมโตหนึ่ง โดยเวทนาคือเวทนาโตหนึ่งโดยข้ามูลคือมูรโตหนึ่งเหมือนกันกับอกุศลกรรมบททั้งหลายอะคำว่าเหมือนกันกับอกุศลกรรมบททั้งหลายก็หมายความว่าเหมือนกับการที่เราจําแนกอกุศลกรรมบทที่ผ่านเหล่านี้ในกุศลกรรมบทสิบนั้นน่ยก ร, รมบทเจประการตามลําดับเป็นตัวเจตนาเป็นตัวเจตนา เจตนาในการที่จะงดเว้นจากการฆ่าสัตว์เจตนาในการที่งดเว้นจากการลากักทรัพย์เจตวนาในการงดเว้นจากการประพฤติผิดในการเจตนาในการที่จะพูดเท็จพูดส่อเสียดคำหยาบและเพ้อเจ้อเจ็บอย่างนี้นะก็ถูกแต่วิรัต์ทั้ง3อย่างตอนสุดท้ายเพราะจริงๆแล้วเนี่ยวัดกันที่วิรัตสัมปัตะวิรัตแล้วก็สมาทานวิรัตสมุเฉ ท, ทวิรัตเนะี่ยดูตรงนั้นมโนกรรม3อย่างเป็นธรรมสัมยุญด้วยเจตนาะ ก็หมายความว่าเจตนาหรือความจงใจเหล่านั้น เ, นเอาอะไรเป็นตัววัดเอาโมนโนกรรม3าอย่างก็คือเอากายกรรมวจีกรรมและมนโนกรรมช่มี้ก็ต้องรู้จักตัวธรรมะตัวสภาพของปานาติปาตาปฏิวิรโตเนี่ย คือต้องรู้ต้องรู้ว่าเจตนาในการงดเว้นจากการฆ่าตัวนั้นเป็นตัวธรรมะไหมเป็นตัวเจตนาในการงดเว้นใช่ไหมนั่แหละต้องรู้จากตัวนั้นให้ดีอย่างนั้นเขาเรียกว่าเป็นตัวธรรมโตคือสซนสภาพของสภาพของเจตนาที่เกิดขึ้นเจตนาที่เกิดขึ้นความจงใจที่เกิดขึ้นนั้นจะต้องเป็นเจตนาหรือความจงใจที่เกิดขึ้นพร้อมกับอะไร พร้อมกับการงดเว้นจากการฆ่าดงนั้นเจตนาที่เกิดขึ้นจากการงดเว้นจากการฆ่าเนี่ยอย่างนั้นเน่ยเขาเรียกว่าเป็นกรรมบดจะไหมกายกรรมมีเท่าไหร่กายกรรม3ใช่ไหมปานาติปาปานาติปาตาวิรตีเนี่ยเว้นจากการฆ่าสัตว์อาินาทานาวิรตีเว้นจากการลักทรัพย์เนี่ยกาเมสุมิชขาจาระวิรตีนี่ก็คืองดเว้นจากการประพฤติผิดในกรรมมูสา วาทะวิรติคือเว้นจากการเว้นจากการกล่าววาจาที่เป็นเท็จปิสุนาวาจาวิรติก็คือเว้นจากการกล่าวสอดเสียดพุรุสวาจาวิรติก็คือเว้นจากการพูดคำหยาบ สัมภาราป่าวิรติก็คือเว้นจากการพูดเพื่อเจริแล้วก็อนัพิชานทั้ทงด้านมนโนกรรมนะสังวรไม่ให้อภิชาเกิดอพยาบาทก็คืออะไรสังวรไม่ให้ไม่ให้พยาบาทหรือโทสะเกิดสัมมาทิฏฐิก็คือมีความเห็นถูกต้องตามความเป็นจริง อย่างนี้เป็นชื่อของกุศลกรรมบทเป็นชื่อของกุศลกรรมบททีนี้เจตนาในการกระทาสุดรลิตกรรมนั้นนะอ่ะอุปเจตนามีไหมเจตนาก่อนกระทามีหรือไม่มีมีใช่ไหมแล้วก็มุนจากเจตนาเจตนาที่เกิดขึ้นในขณะกระทรมีไหมอปรัเจตนาคือเจตนาที่เกิดขึ้นหลังจากกระทามาแล้ว อย่างนี้อีกขณะหนึ่งอย่างนี้เขาเรียกว่าเจตนาสาตัวธรมวธวธรมะตัวเจตนาตัวธรรมโตเหล่านี้ในะเจตนา3อย่างเนี่ยบวกกับอะไรคูณกับอะไรคูณกับกุศลกรรมบท10ได้30มสแล้วหรือยังเป็นสุจริต30 ส, สนะีเนี่ยสุดจริตนี่ยสามสิบใช่ไหมเอาเจตนา3นะ น, นั่นแหละไปคูณกันก็พิจารณาแทนแต่ในที่นี้ท่านบอกว่ากรรมบทที่จะเกี่ยวกันเรื่องของวิรัตวิรัตในที่นั้นเนะี่ยก็ถูกแต่วิรัติสอย่างสัมปัตาวิรัต สมาทานววรัตและสมุทเฉทเวรัตตอนสุดท้ายมโนโกรรมเป็นสัมยุญโดยเจตนาบทว่าโกฎิาสโตนความว่ากุศลกุศลและธรรมเจประการตามลำดับคือผสมกุศลกรรมบทนั่นเองตามลำดับนะเริ่มตั้งแต่ปานะเว้นจากการฆ่าสาัตว์เป็นต้นนะเป็นกรรมบทอย่างเดียวไม่ไม่เป็นรากเงาลองลอ ง, ลองตามลาดับดูที่ว่าใช่รากเงาหม ตัวปานปฏิบาตเว้นจากการฆ่าเว้นจากการลักทรัพย์เว้นจากการประพฤติผิดในการเว้นจากการพูดเท็จเว้นจากการพูดส่อเสียดเว้นจากการพูดคําหยาบและเว้นจากการพูดเพ้อเจ้อเนี่ยอันนี้ใช่เป็นตัวอันนี้ใช่เป็นตัวกุศลมูลไหมใช่หรือไม่ใช่ตัวนี้ใช่ตัวกุศลมูลใช่ตัวรากเงาของกุกรรมบดไหมไม่ใช่ให้สังเกตต้องแยกให้ออกนะตัวกรรมบทตัวกุศลกรรมบทกับ รากเง่าของกุศลกรรมบทแยกออกั้ยคือต้องแยกอย่างนี้อโลภะความไม่โลภอโทสะความไม่โกรธแล้วก็อโมหะคือปัญญาเนี่ยสามองามอย่างเนี่ยเป็นรากเง่าของกุศลกรรมบทตฉนั้นต้องแยกกันให้ออกฉั้นท่านถึงบอกว่าเว้นจากการฆ่าเป็นต้นจนถึงเอ้เว้นจากการพูดเพ่อเจอเ้อจึงไม่เรียกว่าเป็นไม่เรียกว่าอะไร เป็นอะไรสอย่างนี้เป็นอะไรเออสประการทางกายทางวาจาและทางใจเนี่ยเป็นกรรมบทใช่ไหมเป็นกรรมบทเป็นกรรมบทอย่างเดียวไม่เป็นรากเงาของกุศลแต่กุศแลแธรรมสประการตอนท้ายเป็นทั้งกรรมบทเป็นทั้งรากเงาของกุศลก็หมายความว่าอโลภะใช่ไหมอโลภาความไม่โลภอโทสะความไม่โกรธแล้วก็อโมหะความไม่หลงและอีกอย่างในที่นี้เน้นอะไรเน้นอภิชา อภิชาเป็นรากเงาไหมเออขอโทษทีอนณภิชาความไม่ความไม่โลภเนี่ยหรือว่าสังวรไม่ให้อภิชาเกิดสังวรไม่ให้โลภะเกิดตัวนี้เป็นรากเงาเยอะตัวนี้เป็นทั้งกรรมบวเป็นทั้งรากเงาอัพยาบาทคือตัวโทสะเนี่ยเป็นทั้งกรรมบวเป็นทั้งรากเงาแล้วก็สัมมาทิฐิคือปัญญาเนี่ยเป็นทั้งกรรมบทเป็นทั้งรากเงาของ อุสกรรมบทโดยสรุปก็คือไล่ไปตามดับแต่ข้อ 1-2-3-4-5-6-7 เนี่ยเป็นกรรมบทอย่างเดียวส่วนข้อที่3โดยข้อที่7จดเออที่8ที่เกเนี่ยเป็นทั้งกรรมบทด้วยเป็นทั้งรากเงาของอกุศล์ด้วยทีนี้ไปทำความเข้าใจในเรื่องของคำว่าอโลภะในด้านของอโลภะเนี่ยเป็นทั้งอกุศล์ละมูลอโลพะในที่นั้นเป็นรากเงาของอะไรเป็นรากเงาของอกุศล อโลพาเนี่ยก็แปลว่าความไม่โลภไม่โลภแน่เลยอโลพานี่ไม่โลภแน่เลยเดีวคับพี่อโลพาเนี่ยไม่โลภแน่เลยอโลภาเนี่เป็นธรรมชาติที่ไม่อยากได้และไม่ติดใจใน่เลยในกรรมคุณไม่ติดใจในการมะคุณอารมณ์อะโลพานี่เป็นปฏิปักษ์ต่ออะไรเป็นปฏิปักษ์ต่อโลพาทำที่เป็นปฏิปักษ์ต่อโลพาก็คืออะโลพานั่นเองทำไมจึงเป็นปฏิปักษ์ต่อโลพา เพราะสภาพของอโลภา น, นั้นน่ยมีความไม่ติดไม่ติดอยู่ในรูปไม่ติดอยู่ในเสียงไม่ติดอยู่ในกลิ่นเป็นต้นเนี่ยสภาพของอโลภาเป็นอย่างนีน้แล้วก็มีความไม่กําหนัดในอารมณ์ด้วยแล้วก็เกิดขึ้นมาแล้วก็สละบริจาคไม่หวงเห็นจากคะนี่จะสูงมากเป็นกิจด้วยแล้วก็มีความไม่ยึดมั่นในอารมณ์แล้วก็มีการกระทําไว้ในใจอย่างต่อเนื่องอันแยบคายโยนิโสมนสิการจะเกิดขึ้นทัน้งจริง สภาพของอโลภาเนี่ยตรงนี้เป็นอะไรเป็นมูลของกุศลกรรมบทด้วยเป็นตัวกรรมบทด้วย อ, อนาพิชาเนี่ยอนาพิชาเดี่ยเป็นอย่างนงถ้าไปทําความเข้าใจตรงนี้ก่อนคําว่าเป็นทั้งรากเงาเป็นทั้งตัวกรรมบทก็ใหเข้าใจตรงนั้น <S <S เออถ้ามาพิจารณาอย่างนี้ก็จะทําให้เรารู้ว่าสภาพของปานาติบาตอธินาทานเนี่ยการเว้นจากปานาติบาตเว้นจากการลักเป็นต้นเนี่ยไอ้ตัวนี้เป็นตัวกรรมบทตามลําดับนะทั้ง7 เ, เนี่ย แต่ส่วนรากเง่าของเขาเป็นทั้งกรรมบทเป็นทั้งทั้งมูลของกุศลกรรมบทด้วยอย่างนั้นเขาเรียกว่ารู้จักโกฏาสโตว่าเขาสามารถที่จะเป็นปัจจัยแก่หรือเขาจะเป็นไอตัวโกฏาสะของเขาเป็นตัวทั้งเป็นกรรมบททั้งเป็นรากเง่าของเขาเนี่ยตัวไหนเป็นได้ตัวไหนเป็นไม่ได้เนี่ยทีนี้ในคําว่าอารามนาโตเนี่ยย้อนอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าอารมณ์ทั้งหลายมีปานาริบาตเป็นต้นนั่นแหละเป็นอารมณ์ของเวรมณีทีนี้ถ้ามาพิจารณาอย่างนี้ ก็ดังที่ได้เคยกล่าวบอกว่าอารมณ์ของอารมณ์ของปานาติบาศถามว่าวปานาติบาศจะมีอะไรเป็นอารมณ์อาปานาติบาศมีอะไรเป็นอารมณ์ก็ต้องบอกว่าปานาติบาศนั้นมีชีวิตตินทรีย์แล้วก็มีสัตว์และสังขารนั่นเองเป็นอารมณ์ดังที่ได้กล่าวว่าในขณะที่เราเห็นสัตว์และสังขารเนี่ยอารมณ์นั้นเกิดขึ้นมาอารมณ์ของอะไรอารมณ์ของศีนั้นเกิดคือศีนั้นสามารถที่จะเกิดขึ้นมาใช่ไหม ที่เคยกล่าวข้าไว้ในทางด้านของสมาทานวิรัติเป็นต้นเนะี่ยไปสมาทานกับสำนักของครูผู้มีความรู้ความเข้าใจและมีข้อปฏิบัติที่ดีงามแล้วเนี่ยกลับมาแล้วเนี่ยศีล น, นั้นนะ่ะถ้าคนเข้าใจในเรื่องศีลดีเนี่ยเห็นสัตว์และสังขารทั้งหลายศีลก็เกิดตลอดไหศีลก็เกิดตลอดเพราะคาว่าอารมณ์ในที่นั้นเป็นชื่อของการ รู้ประโยชน์ของศีลเกิดขึ้นตลอดเวลาในขณะที่เขาเห็นสัตว์และสังขาร น, นั่นเลยดัยงที่ได้กล่าวว่านักการค้าทั้งหลายพอเห็นสินค้าแล้วก็คำนวณบวกกําไรได้คนที่จะทํานาทําไร่ทั้งหลายเวลาจะหวานพืชลงมาก็รู้เลยว่าตนเองนะข้าวข้าวถังนี้ที่หวานลงไปนะั่นควรจะได้ผลกําไรสักเท่าไหร่นี่เขาจะเห็นกําไรทันทีเมื่อวางเหตุเข้าไปเห็นผลกําไรตลอดเมื่อตอนกลางวันมีคนโทรถาม ถามเรื่องศีลเนี่ยถามว่าทําไมเขารักษาศีลมาแล้วทําไมเขาไม่ได้รักเขาไม่ได้อ น, นิสงส์สักทีเขาถาวเขาต้องการผล <c oughs> ก็เลยบอกว่าจริงๆแล้วที่คุณว่าศีลเกิดขึ้นกับคุณเนี่ยวันวันหนึ่งคุณสมาทานศีลกี่ครั้ง อารมณ์ของศีลนะหรือศีลเกิดขึ้นกับคุณแก่ครับคุณสมาทานตอนเช้าแต่ต่อมาคุณไปทํางานบางครั้งคุณก็โลภบางครั้งคุณก็โกรธบางครั้งคุณก็หลงยังไม่บอกใช่ถามว่าในขณะความโลภเกิดขึ้นศีลมีหรือไม่มีผมไม่มีและในขณะความโกรธเกิดขึ้นความหลงเกิดขึ้นตอนนั้นศีลมีไหมผมไม่มีและถามว่าศีลไม่เคยเกิดเลยเนี่ยแล้วถามว่าคุณจะเอาคุณของศีลหรือเอาวิบากของศีลศีลกุศลจะได้อย่างไรเพราะกระแสจิตของคุณไม่เป็นศีลนะกุศลเลยเนี่ย คุณเห็นชีวิตของสัตว์เนี่ยคุณไม่พิจารณาอย่างนี้เลยบอกว่าเออบอกว่าสัตว์และสังขารยังอยู่เป็นสุขเป็นสุขนะนี่ยเขาขอให้เขามีชีวิตยืนยาวต่อไปขอเขาเขาเจริญรุ่งเรืองเนี่ยคุณเคยคิดขนาดนั้นไหมเวลาคุณเห็นสิ่งที่มีชีวิตบอกไม่เคยคิดแล้วในขณะที่คุณเห็นทรัพย์สมบัติของบุคคลอื่นเลยคุณมีความรู้สึกไหมบอกทรัพย์ของใครก็จงเป็นของคนนั้นเราก็จะไม่เบียดเบียนทรัพย์ของบุคคลอื่นถ้าจะทํางานทําการก็จะทํามาได้ด้วยการที่ว่า แลกเปลี่ยนหรือซื้อขายให้ถูกต้องเนี่ยคนเคยคิดอย่างนี้ไหมบอกยังไม่เกิดทั้งนี้ก็สินข้อที่สองก็ไม่เกิดหรือถ้าเห็นบุรุษเห็นผู้ชายหรือเห็นผู้หญิงเนี่ยตรงกันข้ามจิตคุณนคิดจะสังวรระวังไหมว่าเออภรรยาของใครสามีของใครลูกของใครหลานของใครหรือว่าบุคคลที่ไม่มีเจ้าของก็จงเป็นของบุคคลคนนั้นเราก็จะไม่ล่วงละเมิดในกลุ่มของถ้าเป็นผู้หญิงก็ยี่สิบจำพวกเป็นต้นผู้ชายแปดจำพวกอย่างนี้หรือถ้าหากว่าในกรณีที่ว่า เห็นวัตถุและสังขารทั้งหลายคุณก็มีเจตนาในการที่จะงดเว้นจากมุสาวาทคือการไม่กล่าวเท็จเนี่ยเจตนาในการที่งดเว้นตรงเนี้ยว่าเราจะมีวิรัตในการที่จะงดเว้นอย่างนี้เกิดขึ้นมาเลยเห็นสิ่งของที่จะเป็นเหตุแห่งการมึนเมาก็ละเว้นได้ในขณะนั้นว่าจะไม่สร้างเหตุปัจจัยของความหลงความไม่รู้ให้เกิดขึ้นในกระเด็นแล้วมันเกิดขึ้นตลอดอย่างเนี้ยก็เหมือนกับการว่า นักการค้าทั้งหลายหรือผู้ลงทุนทั้งหลายเห็นสิ่งของแล้วก็บวกกําไรได้อารมณมณโตของคุณเนี่ยเกิดขึ้นขนาดนั้นไหมใช่ไหมคือสามารถมองเห็นอารมณ์ทั้งหลายที่มากระทบเนี่ยทั้งตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยกุศลศีลเกิดขึ้นเนี่ยถ้าอย่างนี้เขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าศีลเกิดและศีลก็จะทยอยไหมถ้ากุศลศีลไม่เกิดไม่มีกําลังเพียงพอขนาดนี้ถามว่าสมาธิกุศลจะเกิดได้ไหม ยอกระพิดแล้วมองเห็นเยอะเลยพอมองเห็นว่าตัวสิ่งของปุ๊บเนี่ยรู้เลยกุศลแศีลจะเกิดหรือไม่เกิดที่ผ่านมาบางทีเฉยเลยใช่ไห ม, อมยอมสรีบจะเอาวิปัสสนาแล้วแต่กุศลศีลยังนานหนาจะเกิดสักทียังเคยมองเห็นแล้วนะท่านเนี่ยเนี่ยเขาเรียกว่ากุศลโดยอา ร, รมณ์โตเนี่ยเป็นอย่างงั้นท่านต้องบอกว่าเป็นอารมณ์ของเวรามณีคือ อารมณ์อะไรก็แล้วแต่ที่ผ่านเข้ามาเนี่ยเป็นอารมณ์ของการเว้นเป็นอารมณ์ของการวิรัติขึ้งการงดเว้นได้เลยในขณะนั้นคือสามารถที่จะงดเว้นบา ป, ปรกรรมทั้งหลายที่จะร่วงละเมิดโดยเฉพาะในกุศลกรรมบทเนี่ย เกิดได้หมดเลยเห็นอารมณ์ทั้งหลายที่มากระทบมาเข้าสู่คลองของทั้งตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจเนี่ยสามารถที่จะเว้นบาปได้เลยเนี่ยถ้าอย่างนี้แสดงว่าอรรมณรโตของท่านผู้นั้นดีมากดีจริงๆให้สังเกตว่าศีลของคนจึงเกิดไม่เท่ากัน เท่าหรือไม่เท่าแต่ก่อนเวลาไปสมาทานศีลเคยตรึกขึ้นขนาดนี้ไหมต่อไปต้องคิดอย่างนี้เอ๊ะถ้าคิดอย่างนี้เราจะมีกิจในการทําอย่างอื่นเลยจะเสียหายไหมถ้าเราคิดอย่างเนี้จริงจริงไม่เสียนะต้องคิดให้ได้อย่างนั้น ฉนันถึงบอกแกตนางดเว้นจากปาณาติบาเป็นต้นเหล่านั้นเพราะว่าเวรามณีจะมีได้ก็โดยอาการประชิญกับวัตถุที่จะต้องก้าวร่วงเท่านั้นการงดเว้นจะมีได้ก็ต่อเมื่อประชิญกับวัตถุที่ควรเว้นเท่านั้นน้อยใช่ไหมเช่นการจะเว้นจากการฆ่าได้ก็จะต้องมีวัตถุที่จะเว้นในขณะนั้นเท่านั้นศีลก็จะเกิดในขณะนั้นกุศลเห็นเห็ น, เ ห, นเห็นทีไรเนี่กุศลศีลเกิดมีแต่การที่จะให้เมตตากับเขาให้ความรักให้ความกรุณากับเขา มองเห็นตรงนี้ใช่ไหมท่านยังบอกอุปมาสเสมือนหนึ่งว่าอริยมรรตต้องมีนิพพานเป็นอารมณ์จึงจะละกิเลสได้ฉันใดนะกรรมบวทเหล่านั้นก็พึงทราบเป็นเช่นนั้นเหมือนกันนะต้องมีชีวิตตินทรีย์เป็นต้นเป็นอารมณ์จึงจะละการทุศีลมีปาณาติบาตเป็นต้นได้ถ้าไม่มีชีวิตไม่มีสังขาร เหล่านั้นเป็นอารมณ mm. ์เจรักการทุศ e ีนเดิมก็ละไม่ได้นั้นชีวิตถ้าชีวิตเป็นไปด้วยการมีชีวิตของสัตว์ทั้งหลายเป็นอารมณ์ใช่ไหมเขาก็ขันห้าเราก็ขันห้าเนี่ยเราทําลายเขาไม่ดีชั้นใดใช่ไหมเขาทําลายเราไม่ดีชั้นใดเราทําลายเขาก็ไม่ดีฉชนนั้นก็เป็นเหตุแห่งการทุศีเห็นเห็นชีวิตศีนสังขารแล้วศีลเกิดเห็นทรัพย์สมบัติแล้วศีลเกิดเห็นเพศตรงกันข้ามแล้วกุศลศีลเกิด เห็นการจะกล่าวเท็จเป็นต้นแล้วกุศลศีลเกิดเห็นปัจจัยที่จะล่วงละเมิดในกุศลกรรมบทแล้วเนี่ยกุศลเกิดทันทีถ้าอย่างนี้เขาเรียกว่าอารมณ์ ทำนานมากตรงนี้ไปพิจารณาให้ดีนะว่าในชีวิตที่เราจะต้องเกี่ยวข้องกับบุคคลทั้งหลายเนี่ย ว, วันวันหนึ่งเนี่ยเราจะต้องเห็นสิ่งต่างๆมากมายจริงๆใช่ไในบรรดานักวิจารณ์ทั้งหลายก็ต้องก็เริ่มจะลดกระแสะการวิจารณ์ลงทำไมต้องลดกระแสะการวิจารณ์ถ้าอย่างนั้นได้อะไรสัมผัส พ, พ ร, ราปะบ่าง ได้ปิสุศาวาจาบ้างได้พฤตสวาจาบ้างได้มูสาวาดบ้างใช่ไหมเพราะเห็นโบกก็อุ้ยถ้าหากว่ากุศลศีลเกิดดีถึงขนาดนั้นเนี่ยบางคนบอกเอ๊แล้วบรรยากาศจะสนุกหรือเป่าปัญหาก็คือตรงที่ว่าพอฟังทําความเข้าใจตรงนี้แล้วเนี่ยถามแล้วเข้าพระเจ้าจะเข้าถึงกุศลศีลได้ต่อเนื่องอย่างไรยังไวิธีคิดจริงไม่ยอมโดยต้องคิดแล้วเอ๊เข้าพระเจ้าจะเข้าถึงจะสมาทานสมาทานในที่นั้นเป็น เป็นชื่อของการทำให้กุศลเกิดบ่อย ถ้าเกิดขึ้นบ่อยๆแล้วเนี่ยลองคิดดูที่กุศลศีลเกิดขึ้นทุกขณะเป็นกุศลกรรมใช่ไหมเป็นกุศลกรรมบทนี่เมื่อเจตานาเป็นกุศลกรรมบทเกิดขึ้นหนึ่งขณะกุศลตรงนั้นมีผลทุกขณะไหมมีผลรองรับหมดเลยทุกๆขณะฉะนั้นเมื่อกระแสของกุศลกรรมบทเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องกุศลกรรมบทซึ่งเป็นตัวผลของกุศลเนี่ยก็จะรองรับอย่างต่อเนื่องทําไมน้อคนบางคนทํากุศลจึงได้รับผลได้รวดเร็วอย่าแปลกใจ บางทีบางกลุ่มนี่ถ้าเวททำยังไงกุศลก็ไม่ค่อยได้รับ ว่าไม่ค่อยเกิดกําลังของกุศลไม่ค่อยเกิดนั่นเองในสมัยครั้งพุทธกาลนี่ในกลุ่มของบุคคลที่ทํากุศลเกิดขึ้นได้ดีใช่ไหมในชีวิตของเขาจึงเจอสิ่งของที่ดีๆตลอดแล้วกระแสของกุศลเมื่อเกิดได้ขนาดมีการต่อเนื่องได้อย่างมั่นคงอย่างนั้นแล้วเนี่ยที่สุดจริงๆเวลาจะเจริญสมาธิกุศลปัญญากุศลก็ไปได้ดีไปได้ดีมาจะเป็นอย่างนั้นนี่ทางด้านของอารามนาโตน้นะก็ตรึกพิจารณาให้กุศลศีนั้นเกิดขึ้นให้ต่อเนื่องถ้ากุศลศีลเกิดขึ้นได้อย่าง ต่อเนื่องก็จะเป็นประโยชน์เป็นประโยชน์อย่างมากเลยบทว่าเวทนาโตความว่ากุศลกรรมบททั้งหมดเป็นสุขเวทนาบ้างเป็นอุเบกขาเวทนาบ้างถ้าไปพิจารณาดูมหากุศลเขาก็มีเวทนาสองคือสมนัตเวทนาและอุเบกขาเวทนารูปกุศลอารูปกุศลก็มีเวทนาสอง อ่รูปกุศลรวมกับอรูปกุศล ก, ก, ก็เวทนา2นั่นแหละแม้แต่มักกุศลมักค ก, กุศลก็มีสมนัตเวทนาและอุเบกขาเวทนาฉะนั้นเมื่อว่าโดยเวทนาแล้วจึงได้เวทนาสองเพราะว่าถึงที่สุดแล้วจะไม่มีทุกขเวทนาเลย นั้นในกุศลทั้งหลายนี้จะไม่มีความทุกข์จะไม่มีโทมนัตอยู่ในนั้นนะกรรมบทฝ่ายกุศลไม่มีให้ผลเป็นทุกข์เพราะในขณะที่ทํากุศลทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นกุศลที่เป็นญาณวิปยุจญาณสัมปยุจอสังคาริกหรือสัสสังคาริกใช่ไหมเป็นกุศลในชั้นของกามาวจรจรูปาวจรอรูปาวจรหรือในชั้นของโลกุตละนี่กุศลเหล่านั้นน่ยมีบ้างไหมที่จะให้วิบากให้ผลเป็นทุกข์ไม่มีเลยมีแต่ให้ผลให้วิบากเป็นความสุข เป็นความเจริญเป็นความรุ่งเรืองเป็นความงดงามทั้งนั้นเลยปรารถนาอย่างเดียวแต่ทำเอาไว้ก่อน <c oughs> ไว้หมวันวันมังนั่งปรารถนาผลอย่างเดียวแต่ตอนนี้จะทําไมไม่ทํำสักเดียวยังไม่ทํายังไม่พร้อมแอ้วยังนี้จะได้ไหม <c oughs> ก็เป็นคนคีดบ่นคนหนึ่งเท่านั้นเองบ่นหาผลไปนี่เขาเรียกว่าเป็นเวทนาถูกก็ให้สังเกตหรือว่าทั้งกุศลกรรมบทชไหมเช่นว่าในขณะที่เว้นจากการฆ่าตอนนั้นได้กี่เวทนา สองเวทนานะบางครั้งก็เป็นอุเบกขาบางครั้งก็เป็นสมนา น, นัตในขณะที่เว้นจากการลักทรัพย์เว้นจากการพูดต่อเสียดเว้นจากการพูดคําหยาบเว้นจากการพูดเพ่อเจอเนยะไม่พยา ไ, ไม่โลภเงี้ยไม่พยาบาทแล้วก็มีความหินผิดเกิดเออมีความหินถูกเกิดขึ้ น, นก็ให้รู้เลยว่ามีสมนานัตเวทนาและอุเบกขาเวทนาเท่านั้นจะไม่มีทุกขเวทนาเกิดขึ้นมาเลยในขณะนั้นบางคนบอกเอ๋บางทีเนี่ยเราไปเจริญกุศลเนี่ยต้อง ใช้ความเพียรมากบางทีมานั่งศึกษานี่ต้องหรือนั่งฟังพระธรรมนะี่นต้องใช้ความอดทนสูงนะต้องทนปวดทนเมื่อยอางทเอ๊ะทำไมไม่ได้ทุกขเวทนาไม่ได้ เพราะทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นนั้นเกิดขึ้นในสรีระในร่างกายแต่จิตใจที่ฟังพระสัทธรรมของพระพุทธเจ้าที่เป็นบุญจริงๆเนีนในขณะนั้นเป็นเวทนาสองคือสอมนัสเวทนาและอุเบขาเวทนาเท่านั้นถ้าหากไปมีทุกขเวทนาหรือทมนัสเวทนาวิบากของกุศลก็ต้องเป็นทุกขสิเพราะเหตุมันเป็นทุกข์นี่ฉะนั้นเหตุนั้นเป็นสุขอย่างเดียวเนี่ยเป็นอุเบขาเวทนาอย่าง เป็นสุขกับเป็นอุเบกขาสองให้สังเกตดูทีนึงปัณจมาฌานโสดาปฏิมักสมนัดไหมใช่ไหมถ้าหากอุเบกขาโสดาปฏิมักเลยใช่ไหมปัญจมาฌานโสดาปฏิมักเป็นอุเบกขาใช่ไหมนั่นแหละก็ได้สองเวทนา<ม>ก็แยกเวทนาเพราะว่าเวทนาที่ในกุศล น, นั้นจริงๆเป็นชื่อของความสุขที่ละเอียดขึ้นนะเป็นความสุขที่ละเอียดขึ้น จึงเรียกว่าเป็นอุเบกขาบทว่ามู ล, ลโตความว่ากรรมบท7นั้นจะมีมูล3ตามอํานาจของอโลภาอโทสักและอโมหะสําหรับผู้งดเว้นด้วยจิตสัมปยุต ด, ด้วยญาณหมายถึงว่าถ้าในขณะที่งดเว้นนี่นะงดเว้นจากปาณาติบาตเป็นต้นนี่นะงดเว้นจากการฆ่าเป็นต้นเนี่ยถ้าในขณะนั้นเนี่ยจิตนั้นสัมปยุตหรือประกอบด้วยปัญญาในขณะนั้นจะมีมูลเท่าไหร่จะต้องมีมูล3เลย คือมีความไม่โลภมีความไม่โกรธแล้วก็มีความไม่หลงคือจะเป็นอย่างนี้คือมูลของการฆ่า อ, อมูลกะมูลของการเว้นจากการฆ่าเช่นในขณะที่เห็นสัตว์และสังขาราเห็นชีวิตติณซีของสัตว์ทั้งหลายแล้วเห็นสัตว์ทั้งหลายแล้วเนี่ยเจตนาในการที่จะงดเว้นจากการฆ่าจิตในขณะนั้นนะประกอบด้วยปัญญาพิจารณาถึงว่าเอ๊ะทฆ่าไปนี่ก็เป็นกรรมแต่ถ้า ง, งดเว้นนี่ก็เป็นกุศ ล, ลกรรมพิจารณาถึงกุศลกรรมอะ กุศลกรรมนี้เป็นกุศลกรรมเกิดขึ้นในกระแสจิตแล้วก็ปีติยินดีเพิ่มใจในขณะนั้นแล้วก็มีปัญญารอบรู้ว่าเมื่อเรางดเว้นจากการฆ่าอย่างนี้แล้วก็เจริญกุศลกรรมอย่างนี้แล้วเนี่ยเราจะมีวิบาก ท, ที่เป็นสุขอย่างนี้เป็นต้นนะมีความเข้าใจอย่างละเอียดละอออย่างนี้อย่างนี้เขาเรียกว่ามีอะไรมีมูลที่เป็นยานะสมประยุทธ์มีความไม่โลภมีความไม่โลภในการอยากได้ชีวิตของเขาทรัพย์สมบัติของเขาเป็นต้นมีความไม่โกรธคือให้อภัย มีเมตตามีความให้อภัยมีความกรุณาต่อสัตว์เหล่านั้นมีความไม่หลงมีปัญญามีความเข้าใจในขณะที่เกิดขึ้นอย่างนี้อย่างนี้เขาเรียกว่าเว้นจากการฆ่ามีมูลเท่าไหร่มี3มูลเลยมีความไม่โลภเป็นมูลมีความไม่โกรธเป็นมูลและมีความไม่หลงนั่นแหละเป็นมูลจึงได้3มูลนี้มีความเข้าใจคนเราจึงต่างกันนะส่วนบางคนก็มี3มี2นะสําหรับผู้งดเว้นจากจิตสัมบูญตระยานที่มีมูล2สําหรับ พูงงดเว้นด้วยจิตที่ปราศจากยานใส่คําว่าผููด้วยนี่ถ้าของไข่ตกใส่พูเข้าไปได้ในหน้าที่561บรรทัดสุดท้ายเลยบรรทัดสุดท้ายเลยแต่แต่มีมูนสองสำหรับผููอองดเว้นจากจิตที่ปราศจากยานปราศจากยานในที่นั้นก็หมายถึงว่าปราศจาก ยานปัญญาเนี่ยนะปราศจากยานปัญญาอนนาพิชชาอนนาพิชชานี่คือความไม่โลภหรือว่าสังวรไม่ให้อภิชชาเกิดนั่นเองสังวรไม่ให้ความโลภเกิดอนนาพิชชามีมูลเท่าไหร่มีมูลสองสำหรับผู้งดเว้นจากจิตที่สัมปยุทธ์ด้วยยานคือถ้าถามบอกว่าแล้วตัวอนนาพิชชานี่ล่ะ ความที่ว่าไม่อนนพิชาที่ความวิสังวรไม่ให้อภิชาเกิดเนี่ยเพราะตัวเขาเองเป็นทั้งกรรมบทด้วยแล้วก็เป็นทั้งมูลของกุศลกรรมบทด้วยความไม่โลภเนี่ยตัวโอโลภาตัวเนี้ย เขาเป็นกรรมรบท ด, ด้วยเป็นมูลของกุศลกรรมรบท ด, ด้วยเนี่ยตัวเขาเองมีมูลเท่าไหร่บอกถ้านไหนขนาดนั้นเกิดด้วยญาณปัญญาเนี่ยถ้าจิตสัมปยุทธ์ด้วยญาณปัญญาเกิดขึ้นเน่ยเขาก็ต้องมีมูลมีมูล2คือมีความไม่โกรธกับความไม่หลงนั่นแหละเป็นมูลเดีตรงนี้ถ้าตรงนี้อาจจะแยกไม่ค่อยชัดนะแต่ต้องเอาไปฟังบ่อยๆก็แล้วกันเดี๋ยวก็ชัดเอง คือเขานับอย่างนี้เราไปนับเขาไม่นับตัวเขาเองเพราะความไม่โลภจะเป็นมูลของความไม่โลภไม่ได้ในขณะที่เกิดขึ้นในขณะนั้นเช่นเมื่อเห็นทรัพย์สมบัติของบุคคลอื่นก็มีเกตนาสังวรสังวรแบบไหนสังวรงดเว้นที่จะไม่อยากได้ของเขาเนี่ย ทรัพย์ของบุคคลใดก็จงเป็นของบุคคลนั้นถ้าในขณะที่เกิดขึ้นอย่างเนี้ยแสดงว่าความไม่โลภนั้นเกิดขึ้นใช่ไหมทีนี้ความไม่โลภเกิดขึ้นถ้านับความไม่โลภเป็นตัวมูลของเป็นตัวกรรมมาบทด้วยเพราะเขาเป็นตัวงดเวนเน้นนี่เมื่อเป็นตัวงดเว้นก็เลยไม่นับตัวเขาเป็นมูลของเขาในขณะนั้นทีนี้อะไรละเป็นมูลน่ะอโทสะคือความไม่กโกรธมีจิตไม่พยาบาทมีจิตไม่อค่ า, า ข, ของเจ้าของทรัพย์เออและอะโมหะ คือตัวปัญญาเกิดขึ้นแล้วก็มีความรอบรู้ว่ากรรมที่เราทำในขนานี้เจตนาที่เกิดขึ้นจากการงดเว้นในขนานี้เป็นปัจจัยทำให้เป็นบุคคลที่เกิดในชาติไหนไหนก็มากมายสมบูรณ์ด้วยซับ